2. ปริหานิกถาว่าด้วยความเสื่อมหนึ่งวาทยุติปริหานิว่าด้วยหลักการโต้วาทะในเรื่องความเสื่อม239รม ส, สกรวาทีพระอรหัน์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหัน์เสื่อมจากอรหัตตผลได้ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตตผลได้ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันในโอกาสทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธี พระอรหันต์เตื่นจากอรหัตตผลได้ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เตื่มจากอรหัตตผลได้ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเป็นเหตุเตื่นของพระอรหันตในโอกาสทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระอรหันตุกองค์เสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตุกองค์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันตุกองค์มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันเตื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันเมื่อเสือ่อมจากอรหัตตผลย่อมเสือ่อมจากผลทั้ง4ประการใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเศรษฐีครองความเป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็ด้วยทรัพย์ 400,000 เมื่อทรัพย์หนึ่งแสหมดสิ้นไปก็เสือ่อมจากความเป็นเศรษฐีใช่ไหม สกาวาธีใช่ปรวาธีเขาเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีเศรษฐีครองความเป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็ด้วยรัพ์สี่แสนเมื่อทซั์หนึ่งแสนหมดสิ้นไปก็เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมปรวาธีใช่ สกวาธีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอารหัน ต, ตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้งสี่ประการใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวาทยุติปริหานิจบ 2. อ, อริยบุคคลสังสันธนะปริหานิว่าด้วยการเทียบเทียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อมสองอสีสส่กวาที พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระสกธาคามีเสื่อมจากสกธาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกธาคาามิผลได้ใช่ไหม ปรวารทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระสกทธาคามีไม่เสื่อมจากสกัทธาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่ สกワทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกワทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสกวาทีพระอรหันเตื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันเมื่อเตื่อมจากอรหัตตผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรประวาทีตั้งอยู่ในอนาคามิผลสกวาทีพระอนาคามีเมื่อเตื่อมจากอนาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรประวาทีตั้งอยู่ในสกตาคามิผล สกวาธีพระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรวาทีตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลสกวาทีพระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิผลตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุุชนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกขะดังต่อไปนี้หากพระอรหัน เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในอนาคามิผลพระอน า, าคามีเมื่อเสื่อมจากอน า, าคามิผลตั้งอยู่ในสกัาคามิผลพระสกัาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้ง อ, อยู่ในโสดาปฏิผลดังนั้นท่านควรยอมรับว่าพระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิผลตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุตุชนสกวาที พระอาหารหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตตผลตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทัดจากโสดาปฏิผลท่านก็ทําให้แจ้งอรหัตตผลได้เลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น242สี่สิกวาทีพระอาหารหันต์เสืมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหรันต์หรือพระสโสดาบันใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์สกวาทีหากพระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิพลได้ สกวาทีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันหรือพระสกทาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันสกวาทีหากพระอรหันละกิเลสได้มากกว่า พระอรหันยังเสื่อมจากอรหั ต, ตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้สกวาทีพระอรหันเตื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอรหันต์หรือพระอนาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์สกาวาทีหากพระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้สกาวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกรวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันใครละกิเลสได้มากกว่ากันปราวาทีพระอนาคามีสกรวาทีหากพระอนาคามีละกิเลสได้มากกว่าพระอนาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเตื่นจากโสดาปฏิติผลได้243ร้อกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอนาคามีหรือพระสกทาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอนาคามีสกวาธีหากพระอนาคามีละกิเลสได้มากกว่าพระอนาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีก็เสื่อมจากสกทาคามิผลได้สกวาทีพระสกทาคามี เสืมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสือมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีหรือพระโสดาบันใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระสกทาคามีสกวาที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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์หรือพระโสดาบันใครจเจริญ ม, มักได้ยิ่งกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญ ม, มักได้ยิ่งกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอารหัตตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ สกวาทีพระอาหารหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเตื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอาหารหันหรือพระโสดาบันใครเจริญสติปัฏฐานเจริญสมปัฏานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่ากัน ปรวาทีพระอระหันต์สกวาทีหากพระอระหันต์เจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่าพระอระหันยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สกวาทีพระอระหันเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามี เสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันหรือพระสกทาคามีใครจเจริญมักจเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่ากันปรวาทีพระอรหันสกวาทีหากพระอรหันจเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่าพระอรหันยังเสื่อมจากอรหั ต, ตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า พระกสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้สกวาทีพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระอน า, าคามีเสื่อมจากอน า, าคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันหรือพระอานาคามีใครเจริญมรรคเจริญโพ่อชงได้ยิ่งกว่ากัน ปรวาทีพระอรหันต์สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญพชทชงได้ยิ่งกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอารหั ต, ตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้245สี่สาสกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้าาาาไดใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีพระโสดาบันเสื่มจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันใครจเจริญมรรคเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่ากันปรวาทีพระอนาคามีสกวาทีหากพระอนาคามีจเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่าพระอนาคามียังเสื่มจากอนาคามิผลได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สกาวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอนาคามีหรือพระสกทาคามี ใครจเจริญมักจเจริญโพอดชงได้ยิ่งกว่ากันประวาทีพระอนาคามีสกาวาทีหากพระอนาคามีจเจริญโพอดชงได้ยิ่งกว่าพระอนาคามียังเตอมจากอนาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้246สีกกาวาที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 หากพระสกทาคามีเจริญพ่อชงได้ยิ่งกว่าพระสกทาคามียังเส่อมจากสกทาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเตอมจากโสดาปฏิผลได้ 247. รสิกวาธีพระอรหันต์เห็นทุกแล้วยังเส่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระโสดาบันเห็นทุกแล้ว ย, ยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันเห็นสมุทัยแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเห็นสมุทัยแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอรหันต์เห็นนิโรธแล้วยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระโสดาบันเห็นนิโรธแล้วยังเสื่อมจากโสดาปัฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีพระอรหันต์เห็นมรรคแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระโสดาบันเห็นมากแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เห็นสัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทิใช่สกวาทีพระโสดาบันเห็นสัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอรหันเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระสกทาคามีเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมักเห็นสัจสี แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเห็นจัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีพระอรหันต์เห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลไดาา้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระอนาคามีเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปราวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันต์เห็นตมุตทยเห็นวิโรธเห็นมักเห็นสัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเห็นสัจจะสี่แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองรอยสีสิแปดสกวาทีพระอนาคามีเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบัน เห็นทุกแล so ้วยังเสื dai, ati, ati, ่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช so ่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอนาคามีเห็นตมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจสีแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระโสดาบันเห็นสัจจสีแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเห็นทุก์แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีเห็นสมุทัยเห็นนิโรวเห็นมรัก เห็นัจจสและยังเสื่อมจากานาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระสกทาคามีเห็นสัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส4 9รสี่กกาวาที พระสะกทาคามีเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเห็นทุก์แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสะกทาคามีเห็นสมุทัยเห็นยิโบโรธเห็นมัดเห็นสัจจสีและยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเห็นสัจจสี่แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพันธได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น250ร้อยาสกวาทีพระโสดาบันเห็นทุกแล้วยังไม่เสื่อมจากโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีพระอาราหันเห็นทุก์แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระโสดาบันเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีพระอาราหันเห็นสัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีเห็นทุ ก, ทกเห็นสัจจสีและไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันเห็นสัจจสีแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระาราคามีเห็นทุก เห็นส no e right? yeah. no <test woh nt> ัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เห็นสัจจสีแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันเห็นทุกข์เห็นสัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีพระอนาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระสกทาคามีเห็นทุกขเห็นสัจจสี่แล้วไม่เสื่อมจากสกท า, กาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีเห็นทุกเห็นสัจจสี่แล้ว ไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันเห็นทุก์เห็นตจจสีแล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเห็นทุก์เห็นตจจสีแล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น251รสกวาทีพระอระหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่251รสกวาทีพระอระหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระโสดาบันละส ก, กายทิฐิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหั ต, ตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันละวิจิกิจฉาละสีละพรตปรามาต ละราคะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายละโทสะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปสิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละวิจิกิจฉา ละถีนะละอุทจจาละอริละอหิริกะละอะโนตตะ ป, ปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันส ก, กายสกวาทีพระโสดาบันละส ก, กายทิฐิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอระหันต์ละอนตตาปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันลวิจิกิจฉาละสีละพัตปรามาตละราคทรา ะ, ทะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายและโทสะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบาย ละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ระราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีละสกายติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอระหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีละวิจิกิจฉาละศีลพัตปรามาตและกามราคะอย่างหยาบละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันตโทสะละอนตุตตปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหันตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระสกทาคามีละส ก, กายทิฐิละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอรหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีละสกายติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีพระอนาคามีละวิจิกิจฉาละศีลพัตปรามาพระกามราคะอย่างละเอียดละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตโทสะ ละอนุตตปะได้แล้วยังเ่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระอนาคามีละส ก, กายทิฏฐิละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยห้าสิบสองสกวาธี พระอนาคามีละสกายทิฐิได้แล้วยังเติมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันละสกายติฐิได้แล้วยังเติมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีละสกายทิฐิได้แล้วยังเติมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันละวิจิกิจฉาละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีละวิจิกิจฉาละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันรักายติฐิและโมหะที่เป็นเหตุใหสัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีรักายติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระสกทาคามีลัสกายทิฏฐิได้แล้วยังเติมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีลักกายทิฏฐิได้แล้วยังเติมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามิสกวาที พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาละศีลละพัตปรามาละกามราคะอย่างหยาบละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเติมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีละวิจิกิจฉาละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเติมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีพระสกทาคามีละสกายทิฏฐิละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเตือมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น253สกวาทีพระสกทาคามีละสกายทิฏฐิได้แล้วยังเตือมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาที ใช่สกทาคามีสกวาธีพระโสดาบันละสกายติถิได้แล้วยังเตอมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระ ส, สกทาคามีละสกายติถิได้แล้วยังเตอมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระโสดาบัน ละวิจิกิจฉาละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเ่ิมจากโสดาปติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกดาคามมและวิจิกิจฉาละกามราคาอย่างหยาบละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเ่ิมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระโสดาบันและสกายทิฐิและโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น254สกวาทีพระโสดาบันละสกายทิฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาตีใช่ สกวาทีพระอรหันต์ละราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันละส ก, กายทิฏฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีพระอรหันต์ละโทสะละอนุตตปะได้แล้ว ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันละวิจิกิจฉาละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ละราคะละอนุตตะปะได้แล้ว ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส5 5สกวาทีพระสกทาคามีและสกายทิถิได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระอรหันละราคะและอนุตตะปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีละวิจิกิจฉาละพยาบาทอย่างอยากได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันละราคะและละอนุตตะปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหัตตผลใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น256รักกวาทีพระอนาคามีและสกายทิฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีพระอรหันต์ละราคะละอนุตตะปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระอนาคามีละวิจิกิจฉาละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันละราคะละอนุตตะปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหั ต, ตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น257 สกาวาทีพระโสดาบันละสกายทิธิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีสกาวาทีพระอนาคามีละสกายทิฐิละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระโสดาบันละวิจิกิจฉาละโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีละส ก, กายทิฐิละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 258รสกรวาทีพระสกทาคามีลสกายทิทิได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีลสกายาติฐิละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 259สกวาทีพระโสดาบันละส ก, กายทิฏฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีละส ก, กายทิฐิและละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีโทสะพระอรหันต์ละได้แล้วโมหะพระอรหันต์ละได้แล้วมานะพระอรหันต์ละได้แล้วทิฏฐิพระอรหันต์ละได้แล้ววิจิกิจฉาพระอรหันต์ละได้แล้วถีนะพระอรหันต์ละได้แล้วอุทจจะพระอรหันต์ละได้แล้วอหิริกะพระอรหันต์ละ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 ราคะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันตเจริญมักเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันจเจริญสติปาาัฏฐาน เจริญสัมมปทานเจริญอิทธิบาทเจริญนินทรีเจริญพละเจริญโพชฌงเพื่อละราคะมิใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สักาวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้สกาวาที พระอรหันต์เ่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เจริญมักเจริญโพชฌงเพื่อละโทสะเพื่อละอนุตตปะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละอโนโตตปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เ่อมจากอรหัตผลได้ 261. สกวาทีพระอรหันเตือมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันเป็นผู้ปราศจากปราคโทสะโมหะทรรมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้ว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 ละทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือประวัติใช่สกวาทีหากพระอราหันต์เป็นผู้ปราศจากโกรธโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอราหันต์เตื่อมจากอราหัตผลได้ 2 6งรสะกะวาทีพระอรหัน์เตื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีพระอรหันผู้เป็นสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ผู้เป็นอัศมัยยวิมุติไม่เสื่อมจากอรหัตผลสกวาทีพระอระหันผู้เป็นสมัยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได้ไะะไดใช่ไหมประวาทีใช่ S.> สกาวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอัศมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม mm. ่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอัศมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันตผู้เป็นสมยวิมุตติละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ใ human สกวาทีพระอรหันตผู้เป็นอสมัยวิมุตติละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตผู้เป็นสมัยวิมุตติ ละโทสะละอ น, นตุตตะปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมพระวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอาศมยอมิมุติละโทสะละอ น, นตุตตะปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตตเจริญมักเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตตเจริญมักเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต เจริญสติปทานเจริญสมปทานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันตผู้เป็นอัมัยวิมุตเจริญสติปฐานเจริญโพชฌง เพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันผู้เป็นตมยวิมุติเจริญมักเจริญโพ ช, ชงเพื่อละโทสะเพื่อละอนุตตะปะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระอระหันต์ผู้เป็นอสัมยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละอนุตตปะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอระหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตติผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำรรกิจที่ควรทาเสร็จแล้วปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้ว หมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มสลักกรบคู่ถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอรียะปลดธงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัย ทำให้แจ้งนิโรธจเจริญมักแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละทำที่ควรล ะ, จะเจริญทำที่ควรจเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระอราหันต์ผู้เป็นอศัศมิยามิมุติ เป็นผู้ปราศจากโกรธโทสะโมหะทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น2 6 6 3สกสกวาทีพระอรหันตผู้เป็นอัจฉยยวิมุตติละราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระอระหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตติและราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมัยวิมุตติแ ล, ล, ะะะละโทสะและอนตตะ ป, ปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระอรหันตผู้เป็นสมัยยวิมุตตละอนุตตะปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตผู้เป็นอสมยวิมุตจเจริญมักจเรญโพชชงเพื่อละราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมปรารวาทีใช่สกวาทีพระอรหันตผู้เป็น สมัยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมัยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละโทสะเจริญอนโตตปะแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตตผลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันต์ผู้เป็น สมัมมยวิมุตต์จเจริญมักจเจริญโพชงเพื่อละอ น, นตุตตะปะแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันตผู้เป็นอัจมิยวิมุติเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีพระอระหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น264สกวาทีพระอระหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีพระส า, ารีบุตรเถระเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโมคคัลานะเถระพระมหากัจสปเถระพระมหากัจยานะเถระพระมหาโกติกะเถระพระมหาปันทกะเถระเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระษารีบุตรเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระษารีบุตรเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระมหาโมคคัลลานเถระ พระมหากัสสะเถระพระมหากจายะเถระพระมหาโกฐิกะเถระพระมหาปันทกะเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระมหาโมคคัลลานะเถระพระมหาปันทกะเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระอระหันต์เตื่มจากอราัตผลได้อริยะบุคคลสังสันธนะปริหานิจบ